ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานของศีลของภาวนานี้ก็เลยให้ข้าวบ้างน้ําบ้างผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พประทีปและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมณะชีพามเป็นต้นด้วยแล้วก็รักษาศีลเจริญภาวนาไปด้วยดูก่อนสารีบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงให้ทานรักษาศีลอย่างนี้มีหร like ือไม่มีไม่มีอที่นั่งอย่างนี้เป็นประเภสนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอออันนี้ส์เป็นยังไงเดี๋ยวถามาที่อดีตที่ผ่านมาใครเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้เลยตที่มานี้ทั้งหกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสารีบท ในการเจริญทานศีลภาวนาของบุคคลผู้หวังในทานมีจิตผูกพันในทานศีลภาวนามีความมุ่งหวังสั่งสมในทานแล้วก็หวังผลด้วยให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้ผลรักษาศีลแล้วจะได้ผลเนี่ยย่อมเข้าถึงบุคคลประเภทนี้ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตัมหาราชิกาเอออยู่ชั้นต่าๆนี่แหละติดตรงนี้แหละจาตัมหาราชิกาเนี่ย พอไปเกิดบนนั้นเบิดเสร็จปุ๊บพอไปสิ้นกรรมถึงกำลังของกุศลกรรมมันหมดหมดเป็นไหมไปอุ้ยไปสวยผลใหญ่ไปชื่นชมไปยินดีไปเพลิดเพลินาลานะเนี่ยบุญญาเจาต์ตมหาราชการนะกลุ่มนี้กลุ่มทําจริงๆทำแบบเพราะเพราะหวังผลที่ทาอ่ะแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ท้ามีแล้วก็หวังผลด้วยสิ้นกรรม ต่อมาก็สิ้นลิตมดหมดลิตนะสิดาหมดลิแล้วก็สิ้นยศหมดความหมดอำนาจ ห, หมดแล้วไปไหนหมดความเป็นใหญ่แล้วยังมีก็ก็จะกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเป็นยางไงค ำ, คำว่าสับคาว่าสุกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ Curiosity. ก็เดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นเปรตเป็น อ, <S <S อสุรกายอีก บางทีก็เกิดมาเป็นมนุษย์บ้าใบาบอดโดดอีกก็เป็นคนยากคนจนอีกบางทีก็มาเกิดอยู่ในฐานะที่ดีเป็นมนุษย์มีสถานะบ้างเบีดเสร็จและอัธยาศัยที่ทําบุญให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนาอย่างนี้ก็มีอัธยาศัยอย่างเหนียวแน่นอีกขึ้นไปอย่างตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้ ว, ลวตกกอยังต่ออีกแล้วรอดไม่รอดก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้แหละนี่สิ้นกรรมไมอยังตอนเนี้ย สิ้นยอดหมดความเป็นใหญสิ้นอำนาจหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกตาไม่รอดก็เจอหน้ากันก็นมานั่งอีเราก็เจริญภาวนานะทำไมมันไม่พ้นทุกนะ้าเราเข้าใจยางนี่ข้อแรกนี่การให้ทานหวังผลทีนีพระเจ้าก็บอกบางคนไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้มี ไม่ได้มีจิตผูกพันอย่างนี้เลยในการให้ข้าวให้น้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูก้ายที่นอนและปะทัทจีบทั้งหลายเหตัว น, น, นี้เป็นต้นเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมณาพานรักษาศีลเจริญภาวนานะเธอจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นชนไหนมีไหมเอาคนที่ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดจิตผูกพันหวังอย่างเงี้ยบอกมีภาษาบอังกฤดูก่อนการให้ทานของบุคคลนั้นมีความไม่มีความหวังในทานไม่มีจิตผูกพันให้ทานนั้น ไม่มุ่งการสั่งสมด้วยไม่ในทานศีลภาวนาด้วยไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้รับผลด้วยแต่มีความคิดว่าทานกุศลเป็นสิ่งที่ดีจึงต้องทําศีลกุศลเป็นสิ่งที่ดีจึงรักษาภาวนากุศลเป็นสิ่งที่ดียิงต้องทำเพราะมันเป็นของดีอะเราจรึงต้องทำ <c oughs> นีกลุ่มนี้นะเนี่ย กลุ่มคิดว่าอเออการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาการไหว้พา ส, สวดมนต์การถึงไตรสรณ์มเป็นการดีเมื่อคิดอย่างนี้เปสเสร็จแล้วก็ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างแล้วการถึงไตรสรณคมดังกล่าวเป็นเขาผู้นั้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกรรมนั้นให้ผลเนีย้ยย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงโผล่ไปสูงนะเนี่ยใช่ไหม อันนี้แปลว่าเขาทําถูกด้วยเขาทำจริงจริงยังๆด้วยนะไม่ได้ทำแบบประเพภทที่ระบบจิ้มดูดนะทําจริงๆนะทาจริงๆริงทเป็นกิจจลักษณะเลยทีนี้ไปเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาสิ้นกรรมในดาวดึงมีอายุขัยไหมสิ้นกรรมกําลังกรรมหมดกําลังได้ไหมหมดได้สิน้นฤทธ ลิฟต์หมดได้ไหมจากการที่สามารถพวกสวรร์ชั้นดาวดึงเนี่ยคือที่เขาสะดวกกว่าเราหน่อยก็คือไม่ต้องหุงข้าวใช่ไหมล่ะแล้ ว, ลวเอเอเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่อัตยาสายแค่นี้นะแล้วก็วางใจไม่เป็นเนี่นะถ้าไปชั้นดาวดึงเนี่ยลืมตัวเลย แค่ไปเจอสวนนันทวันยังเยอตายแลวใช่ไหมสวนนันทวนสวนปารุศกรวรรณโอ้โหไปเจอสวนนี้ก็อยอะใช่ไหมไปเจอสถานที่ลื่นลมหรือเจอเวชยันประสาทในเวชยันประสาทเนี่ยมีมีกลุ่มเทพธิดาเนี่ยสามโกดขึ้น 3ามโกรนี่ประชากรเท่าไรสามโกรนี่เท่าไหรเออสามสิบล้านแล้วอีกครึ่งหนึ่งเท่าไหร่นี่แหละคือคือกลุ่มเทพธิดาทั้งหลายที่พระท้าวสกาาจะต้องปกครอง พ, พระพผู้วิาพากษ์าบอกดูก่อนท้าวสกาานี่คือเตาไฟของเธอมีกี่เตาหนึ่ง หนึ่งหนึ่งอัตภาพก็หนึ่งเตานั่นคือเตาเพลิงนั่นคือเตานั้นเท้าสกาเนี่ยต้องอยู่กับเตาประเภทเนี้สามโกดก็คือสามสิบล้านเตาก็อีกอีกอีกห้าล้านทีนี้ยอม ที่บ้านอยู่กันกี่คนอยู่กี่คนสองคนสุ น, นัข ก, กี่ตัวแมวกี่ตัวมีเลี้ยงปตาไห ม, มไอ้นี้นก็อยู่กับเตาเพิงเท่าไนะั้นหนึ่งเตาตัวเองก็อีกอี ก, อกเตาเป็นไงแค่สองเตากันนี้ร้อนั้มบางคนเป็นสิบสิ บ, สบเตาเลยนะใช่ไหมล่ะ เตานั้นเขาเอาไว้ทําอะไรอ่ะเตาตัวเนี้ยเขาเอาไว้ทําอะไรอ่ะเตาเพิงตัวนี้ก็ไว้ทําอะไรดีเอาไว้อังเวลามันเกิดแผลคันขึ้นมาเนี่ยต้องอังมันคันคนที่มีเตาเนี่ยเขาไว้ย่างต่อสาหรับคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อนถ้าไม่ไม่อังที่เตาแล้วเนี่ย มันจะคันที่แผลโรคเรื้อนมันต้องรักษาโดยการใช้เตาในแหละอังพออังเบ็ดเสร็จไอตัวนอนเนี่ยมันก็ใช่ช้อนเข้าไปข้างในพอช้อนเข้าไปก็คันไอเจ้าของเตาก็ได้เกาหน่อยมันชื่นใจพุทธิยาบอกว่าผู้ดูชนเนี่ยก็คือคนเป็นโรคเรื้อนอันตรภาพของตอนเองก็คือเตาเพลิงที่ต้องผิงต้องอังมันคันไง แล้วถ้าคนมีทรัพย์สิ์เตาที่ตนเองต้องปกครองดูแลนั่นก็คือจะต้องผิงตลอดต้องอังตลอดเนยนะแล้วมันจะคันไหมง้องมันจะไหลกเก่าคันงไอ้ที่เกานะ่ยมีความสุขัหมมันสุขตรงที่ได้เกาอ่ะมันสุขตรงที่เห็นหน้าลูกนะได้เกาสักครั้งหนึ่งชื่นใจบ้างทุกใจบ้างใช่ไหมเวลามันทุกใจตอนไหน ตอนหนอนที่มันชอนใช้ตอนที่ลูกมันไม่เป็นไปอย่างปรารถนามันทุกมีลูกสี่พี่คอนนั่นคืออะไรเตา่าถ้าวันไหนไม่ไปผินไปอังเตานั้นรู้สึกว่ามันทุกข์มากสมัยนีเมื่อไหร่นอจะมองเห็นว่ามันเป็นเตา่าเป็นทุกข์อะเมื่อไหร่จะเห็น พูดอย่างนี้ดูน่าสนุกไหมไม่สนุกเลยยอมนึกยินนะว่าถ้าเรามีลูกสิ500ห้าร้อยที่ต้องดูแลแต่ในห้าร้อยเป็นโรคมะเร็งหมดเลยถามเครียดไหมที่จริงทุกวันยิ่งกวโรคมะเร็งเนะเราไม่รู้ว่านั่นคือมันตัวทุกข์นั่นคือมันทุกข์ มีไหมที่จะไม่แก้ไขไมนมีเลยแต่และเตา้าแต่และเตา้าต้องแก้ไขหมดเลยต้องแก้ไขต้องดูแลต้องจัดแจงเมื่อไรเนาะมันจะกระเทือนก็ถูกจิตใจ จ, จริงๆเนี่ยใช่ไหมเนคขมา่าคือการเบื่อหน่ายการสลัดกามทิ้งมันถึงจะชัด <c oughs> ใช่ไหมล่ะอันนี้พอพูดไปยังเฉยๆอยู่ไหมเฮ้ทบุรีเจ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะ โดูก่อนสารีบทในการให้ทานรักษาศีลบุคคลไม่มีความหวังนะแต่คิดว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นการดีการเจริญภาวนาเป็นการดีเขานั้นก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วขั้นตายแล้วย่อถุงความเป็นสายเดียวราชั้นเดาดึงถ้าสิ้นกตามสิ้นเลธิ์สิ้นยอดหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกต้อมาเกิดเป็นสัน德拉อีกไหมโอ้ยตอน เท้าส ก, กา่าจะหมดบุญนายอมเอ้ยท่านทุกมากท่านทุกจริงๆนะท่านท่านเครียดมากเลยอะเครียดถึงขนาดว่าทํายังไงจะฟ้อพระุทธเจ้าท่านอยากไปฟ้างพระพุทธเจ้าตั้งนานพระเจ้าไม่ให้โอกาส ท, ทั้งทั้งีนะเคยจะไปคิดตอนนั้นพระเจ้าไหมไม่ให้โอกาสท่นนี้เหลืออีกเจดวันในโลกมนุษย์ท่านจะตายนะนะ อีกเจ็ดวันจะตายเนี่ยถามว่าแล้วท่านเป็นผู้มีบุญท่านรู้ไงว่าท่านจะต้องตายตอนนั้นท่านเป็นบุตรชนด้วยนะเท้าสกา่าองค์ปัจจุบันนี้แหละที่อยู่ในในสวรรค์ฉันเดาดึงเนี่แหละเครียดเท้าสกา่าปกครองประชากรกี่ประเทศกี่ประเทศไม่รู้อีกสองประเทศคือชั้นเดาดึงกับจาตุ ม, มหาราชิกาสองประเทศเหนือประชากรเยอะไหมยเยอะมากๆาฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือเท้าสกา่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ แต่เป็นพระเจ้าเป็นดินในสวรรค์ชั้นดาวดึงกับชั้นจาตัหมหาราชิกาตอนนั้นท่านเครียดท่านทํำยังไงนะเนี่ยอย่ากันนั้นเลยตอนนี้เราจะต้องไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรท่านเริ่มวางแผนถามเธอเราวเวลาจะไปฟังทำแต่ละที เ, เราคิดแผนมั้งไหมเนี่ยว่าเราจะต้องไปฟังแล้วจะต้องไปเข้าใจใได้คิดแผนอย่างเท้าสกา่าคิดไหมเท้าสก่ายังรู้ว่าอีกเจ็ดวันจะตายถามหน่อยเธอรู้ไหมวันไหนลมหายใจจะขาด เราเนี่ ย, น, น, น, ยน่าตกใจกว่าเท้าสกาหรือเท้าสกาหน้าตกใจกว่าเราเราเนี่ยน่าตกใจกว่าเท้าสกาเท้าสกายังรู้อีกเจ็ดวันจะตายนะไอเราเนี่ยไม่แน่เลยเนี่ยจะครบเจ็ดวันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนั่งตาใสาๆเนี่ยไม่แน่ใจกันเลยเลยเนี่ยนิยมบอกว่าเมื่อสักครู่ไม่ใช่เป็นยินทายอมที่กลับไปแล้วเนี่ยย้อนไปเวลาท่านอาจารย์เจ้านายโทรมาเรียก จะต้องรีบกลับไปสรุปบัญชีถ้างั้นจะรอเซ็นอะไรต่างๆ่างเนี้ยแล้วยอมมาฟังธรรมะแล้วก็เริ่มได้ประเด็นบ้างกล่าวว่าจะทํางานอีกสามปี ท, ทั้งทั้งที่เกษียณแล้วเนี่ยนะว่าอีกสามปีก็จะค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆหยุดอาจารย์ก็บอกเออใช้ใจก่อนเนี้นะอาจารย์บอกเขาบอกเข้ากับคนนํานวณก็ว่าไปเลยสักพักนึง ยอมก็ไปปรึกษาลมหายใจยอมเองก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมยะปรึกษามาทำไมปรึกษาลมหายใจก้องยอมอะ่ะยอมเคยปรึกษาลมหายใจตัวเองไหมยันรดาเคยปรึกษาไหปรึกษาบ่อยไหมเล่าปรึกษาลมหายใจว่ามันจะถึงไหม มันจะถึงเจ็ดวันไหมเนี่ยห้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหรือเราลืมลมหายใจไปแล้วแต่เอ็มรู้ยมโกรธหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันแต่เอามาบอกเอามาไม่เอามาบอกไม่กังวลหรอกชีวิตขงมาไม่กังวลเลยนะเรื่องแบบนี้เอามาให้ปัญญาแต่ถ้าไม่เอาเป็นเรื่องของโยมนะใช่ไหมล่ะ เออถ้ายอมไม่ไม่ไปคิดเองเรื่องยอมแล้วยอมเอามาทาหน้าที่ไปเสร็จแล้วพันธะากรณีก็หมดไม่มีอะไรเอามาถ้ายอมจะคิดออกอีกเจ็ดปีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังเป็นบุญนะชาตินี้คิดไม่ออกชาติหน้าคิดออกมาก็ยังชื่นใจอยู่นั่นแหละใช่ไหมใช่ ถ, ถึงให้ไปแล้ว เออจริงๆยอมเคยจะทําอะไรเนี่ยเวลาจะทํากิจการใดๆยอมเคยปรึกษาลมหายใจด้วยไหมเคยนะไม่เคยเลยปรึกษาเขาไม่บ่อยอลองลมหายใจเอ้ยก็บอกถ้าอยากจะรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันยังยังยั ง, ย ง, ยงจะจะคล่งองหรือไม่คล่องยอมลองเดินเร็วๆสักห้าร้อยรอบนะเดินป๊อปป๊อปป๊อปป อ, อ, อ, อเดินเร็วๆแล้วก็ลองมาหยุดปรึกษาลมหายใจดูนะว่า เออมันยังไหวไหมเนี่ยไปตั้งถึงห้าร้อยรอบมั้งถึงไหมเออจะได้รู้จักตัวเองสทัทีถามจะได้รู้ว่าเออเราวิตกกังวลอะไรเราห่วงอะไรเราได้ที่พึ่งหรือยังได้สาระหรือยังตอนนี้ทิศทางชัดหรือยังเนี่ยทานศีลภาวนาของเราเนี่ยแข็งแรงหรือยังเออจะถามปึกคนถ้าปรึกษาลมหายใจทุกวันทุกวันแล้ว จะเริ่มรู้ว่าน้ำกันเราไม่ได้ปรึกษาเลยไม่เคยปรึกษาลืมเท้าสักาา่าก็ไปมาก็วางแผนพอวางแผนไปเสร็จก็บอกเอ๊ะถ้าเราจะไปคนเดียวเดี๋ยวไม่ได้เฝ้าอย่างครั้งที่แล้วอีกเดี๋ยวพระเจ้าเข้าสมาบัติอีกไม่ยอมให้เฝ้าอีกอยากขน้นเลยครั้งนี้เราจะยกเราจะยกทั้งสองประเทศไปเฝ้าเลย โอ้โห oh, oh, คิดดูนะเท mm hmm. ้าสการนี่มีราชองการเลยนะ mm hmm. มีคำสั่งให้ประชากรจากสองประเทศคือประเทศจาตุลมหาราชิกากับดาวดึงเนี่ยให้คือทั้งไปแบบครบองค์เขาเยาะทำไมต้องไปเยอะขนาดนั้นไปเยอะทำไมต้องไปเยอะขนาดนั้นในตั้งประชากรตั้งสองประเทศเนี่ยมากกว่าประเทศไทยไม่รู้เท่าไรเนี่ยนะคำนวณไม่ได้เยนะ จะต้องมีสักคน้ที่มีอัตยาศัยบรรลุอะฉะนั้นพรเจ้าแสดงธรรมปวดบุคคลเหล่านั้นเราจะได้มีส่วนในการฟังด้วยสรุปก็คือเหมือนการจัดฟังธรรมนะจัดฟังธรรมว่าเราจะได้มีส่วนฟังโอ้หคนฉลาดนี่นะท่านฉลาดจริงๆเพราะท่านเราเคยคิดมุมนี้กันบ้างไหมเนี่ยเคยนะทีนี้ และในขณะเดียวกันก็เริ่มคิดเอพระพุทธเจ้าคุ้นเคยกับใครเนะเลยเรียกปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรมาว่าท่านปัญจปัญจสิกขาคนท่านท่านช่วยเป็นแนวหน้าไปก่อนได้ไหมช่วยไปไปขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเท้าสก่าพร้อมเดินบริวารรออยู่ข้างนอกตอนนั้นพระบรมศาสดาประทับที่ขิจกุฏิที่เนี่ยราชเกื้เนี่แหละตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้า เขาเรียกถ้ำช้างเนานะ้าเนี่ยตรงถ้าตรงนี้เป็นที่ครุขขามากเลยที่พุทธิย่ า, ยา ป, ประทับอยู่เนี่ยแต่เวลาพุทธิย่าไปประทับอยู่เนี่ยสภาพนั้นก็หายไปงดงามมากเออแปลกที่สุดเนี่ยให้สังเกตดูนะเทวดาเนี่ยถ้าที่ไกลๆแค่นี้นะเทวดาสามารถมาไปชมกันได้ไม่รู้กี่สิบล้านที่นีด่เดียวเนี่ยแค่จรว ด, ดปลายเข็มลงเนี่นะหนึ่งปลายเข็มหยุดลงเนี่ยนะเทวดาสามารถอยู่กันได้เป็นสิบเป็นยี่สิบ อันนี้คือความความคาว่าฤทธิ์กับบุญของท่านเนี่ยคำว่าวิสมารากายที่ละเอียดเนี่ยก็สามารถอยู่ด้วยกันไ ด, ด้เลยอย่างนงี้ยเยท้าส ก, กา่าก็รออยู่ด้านนอกไม่กล้าเข้าเบาแล้วก็ให้ปัญจสิกขาถือพินสีเหลืองอยังกับผลมาตูมอ่ะก็ เ, เห็นผลมาตูมไหมใครก็เห็นพินไหมเนี่ย พินในความยาวของพินของปัญจสิกขาคนทันเนี่ยมีประมาณสามคาวุฒิสามคาวุฒิหนึ่งคาวุฒก็สี่กิโลเมตรสามคาวุฒก็สืบสองกิโลเมตรนี่นี่เด็ดพินพินนี่พร้อมมากฮะพินสามคาวุฒิข้ามาก็ามาเด็ดพินในในสูตรเนี่ยในสกกาปัญหาสูตรเนี่ยนะใครไปอ่านแล้ว มีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมีพระบางองค์ไปอ่านอ่านปั๊บอ่านได้สองสามคำแค่นั้นแล้วรีบวางเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วคือปัญจสิกขาพอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเสร็จพอได้โ อ, อกาสปัญจสิกขาก็เด็ดพินเนี่ยกล่อมถวายเป็นพุทธบูชานั้นะอยแปลกนะการเล่นดนตรีถวายเป็นถวายแปลว่าปัญจสิกขาคนทานนี่รู้ไหมรู้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลไม่รู้ไหมรู้รร อย่างเราถ้าสมมติว่าทุกวันเนี่ยไม่มีนะคนที่ไปเป็นนักร้องทั้งหลายนี่ไม่ไม่รู้ไม่ดูว่าปัญจสิกาเขาทำอะไรใช่ไหมล่ะไม่ฉลาดพอไปถึงเวเสร็จก็แต่ว่าปัญจสิกาเนี่ยท่านคาใจายอยู่เรื่องหนึง่งท่านลงรักใครรูไ้ไ้มลงรักนางสุริยวัชสา แต่นางสุริยวัชสาเนี่ยไม่รักท่านไปรักกับชายอื่นนิดแต่ว่าปัญจสิกขาคนท่านเทพบุตรเนี่ยแกก็รักมากท่านก็เลยไปภารนากามคุณกับพุทธคุณเวลาในสูตรเนี้ยถ้าใครไปอ่านมาจะรู้เลยโอ้โหภารนาพ่อมากแต่ว่าภารนาชัดเกินไปนะ ย, ยกตัว อ, อย่างเช่นนะ อย่าให้มาพูดทั้งหมดเลยพูดแล้วมันมันประหลาดประหลาดแต่ว่าบรรจาศิาขาก็ไปกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าไปเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเดี๋ยท่านการยืนยันพูดต่อหน้าพระเจ้าเลยนะบอกว่าว่าท่านเองหมายถึงท่านบัญจาศิขาคนท่านเทพประุตรเนี่ยท่านหลงหลงรักนางสุริยวัชส า, าเนี่ยมากเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือน เหมือนลมเหมือนเหงื่อที่ต้องการลมคนมีเหงื่อต้องการลมไหมต้องการลมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าถ้าหากท่านใช้คำว่าถ้าท่านไม่ได้นางสุริยาวัชสามันแนบอกเนี่ยมันแนบอกเนี่ยชีวิตท่านคงต้องตายเนี่ยคืออยู่ไม่ได้อ่ะท่านคงอยู่ไม่ได้หรอก แล้วปัญจสิกขาก็บอกว่าท่านเองเนี่ยอยากจะซอบอยากจะซบแนบอกของนางสุริยวัชส า, าอยากจะชื่นชมอยากจะอะไรอาวร อ, อยากจะชื่นชมและคิดถึงตลอดเวลากับนางสุริยวัชช า, าผู้ที่มีผมงามกัมีขาเรียวงามมากเนี่ยประดุดดังผ้ารหันตาเจ้าทั้งหลายชื่นชมในพระนิพพานยัน ใครไปอ่านตรงนี้ก็นึกโอ้โหทาไมปัญจสิกขาคน ท, นทันเทพบุตรไปหลงไหลในนางสุริยวัชสาชะนันเราเราก็ไปเข้าใจผิดไงเราลืมคิดไปว่าปัญจสิกขาคนทันหลงรักในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมของนางสุริยวัชสาไม่ยอมพลาดไม่อยากจากนางสุริยวัชสา ประดุดดังพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายประดุดที่ท่านเข้าอยู่ในสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ชั้นใดแม้เราทั้งหลายเราก็คือเผ่าพันธุ์ของปัญจสิกขาคนทัานเท้าประบุษนะเราไม่เลยเราไม่เคยมายินดีในอริยมรรคอริยผลในพระนิพพานของพระผู้มีพระเจ้าเลยให้สังเกต ว, วันหนึ่งวันหนึ่งเราชื่นชมกามใช่ไหม ถามว่าปัญจสิกขาคนทันท่านยังกล้าพูดต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าสารภาพแล้วเราลนะ่ะทั้งๆ ท, ท, ที่เรานะ่ะจิตใจเรายังอาลัยอาวรณ์ในบุตรในภรรยาในสามีในทรัพย์ในลูกศิษย์ลูกหาห่วงอาลัยอาวรณ์คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเลยกลับมาที่บ้านยังเอาการบ้านมาทำเลยถามว่าเรารักไหมนะ่ เรารักมากรักมากกว่าปัญจสิกขาคอนตัรักนางสซแล้วยั้ววัชฉาด้วํา้ำไปใช่ไหมใช่บางคนเนี่ยกลับมาที่บ้านก็โอ้โหหอบงานมาแล้วหอบมาแล้วเอามาทำที่บ้านหลงรักมากหลงไหมหลงไม่หลงบางทียังทอไปลกกินข้าวอย่างหลงไหมหลง หลงปิดประตูดีไ้ยลูกขับรถดีๆนะระวังนะนี่ไงเราพออ่านสูตรนี้ฟังพุทธเบสิท์เราไม่เข้าใจว่าหมายถึงเราใช่ั้ยเราไม่เคยคิดว่าโอ้เราเนี่ยมิเราเป็นเลือหน้ากรุณานะปัญญาสิขาคนทันเนี่ยหลงรักนางสุริยวัชรสาทั้งๆ้งที่เขาไม่รักเรา เราไปรักบ้านบ้านเขารักเราไหมรักไหมเราไปรักทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเขารักเราไหมไม่รักหรือแล้วเราไปรักที่ดินของเราที่ดินรักเราไหมเราไปรักลูกลูกรักเราไหมรักไม่รักถามว่าถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องไม่แปลเป็นอื่นสิ ใช่ไหมแล้วทําไมเขาต้องแปลเป็นอื่นเรื่อยละ่ะตอบมาเขารักเราจริงหรือไม่รัก <c oughs> เรา ด, ดังหากที่ไปรักเขาอยู่ข้างเดียว <c oughs> เราไปรักเขาอยู่ข้างเดียวไปคิดถึงอยู่ข้างเดียวใช่ไหม <c oughs> เราไอ้ตัณหาเนี่ยมันไปนอะไรอวบ์อยู่นั่นแหละ ทำไมเราไม่รักพระนิพพานทำไมเราไม่รักความพ้นทุกข์ทำไมเราไม่รักทานศีลภาวนาทำไมไม่รักข้อปฏิบัติที่จะนาไปสู่พระนิพพานทำไมเราไม่รักพระรัตนตรัยถ้ารักอย่างนี้จะผิดหวังไหมเออถ้าไปรักอย่างนั้นผิดหวังหรือสมหวังเพราะเขารักเราแล้วเขาก็ไม่รักเราใช่ไหมล่ะทนไหวไหม ยอมไหมเมื่อเราลักเขาเขาไม่ลักเราเนี่ยเราไปลักกา ร, รมมาคุณใดกา ร, รมาคุณไม่ได้รักเรายิงแล้วก็ทำให้เราผิดหวังไงแต่มนุษย์ก็ไม่จำมนุษย์ก็ไม่จำไอเหมือนกรอนที่เขามาเขียนที่บอกว่าไอ่ลักเขาขรางเดียวเหมือนเกลียวเชื่อมเนี่ยใช่ไหมตรงเนี้ย เพราะว่าเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจงรักเขาต่อไปก็แล้วก็ยุ่งเลยดิก็ไปสมาทานซ้ําว่าจะรักเขาเขาไม่รักเราก็ช่างเออก็ไปผิดหวังตลอดชาตินะใช่ไหมใช่เราไปรักการมะคุณไปรักสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เราไม่รักพระนิพพานตรงเนี้ยทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าตรงนั้นสรุปตรงนี้ก็คือต่อมาเนี่ยปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็มาบอกกับเท้าส ก, ก่าเออเท้าส ก, กะก็บอกลูกกระซิปบอกปัญจสิกขาเร็วเรี่ยี่ มันจะหมดเวลาเราแล้วว่าท so? ําไมไม่แจ้งข่าวว่าตอนนี้ท้าวสก่าพร้อมบริวารมาเฝ้าปัญจสิกาก็ได้กราบทูลพระบรมสาดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ควรเจริญท้าวสก่าพร้อมในบริวารสองประเทศมารอพระองค์พุทธเจ้าอยู่ทข้างนอกพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตพออนุญาตเบียเสร็จท้าวสก่าก็เข้าเฝ้าพระเข้าเฝ้าท้าวสก่าก็ตัดคอพระบรมสาดาบอกว่าข้าแต่พระองค์คูรเจริญ ข้าพระองค์คิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ามากจะมาเป้าพระบรมศาสดาหลายครั้งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเป้าพระบรมศาสดาตอนนั้นพระบรมศาสดาคงอยู่ในสมาบัติข้าพระองค์เกรงพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยเสด็จกลับก่อนแล้วยังบอกกับนางเทพธิดาซึ่งยืนถวายรายงานพระพู้ได้เจ้าทายืดคอยคอยเป่านมมือบูชาพระผู้ไเจ้าอยู่บอกว่า ถ้าพระบรมศาสดาออกจากสมาบัติขอให้ให้กลา่าวทูลพระบรมศาสดาด้วยว่าเท้าสกาวมาเข้าเฝ้าแต่พระศาสดาอยู่ในสมาบัติพระบรมศาสดาดูก่อนเท้าโกสีในวันนั้นที่จถาคตอยู่ในสมาบัตินั้นเน่ะจากเพารล้อเพารล้อเพาราชฉลดของของเท้าโกสีเนี่ยกระทบกันเสียงเพารล้อกระทบกันเนี่ยจถาคตก็ออกจากสมาบัติ ไม่ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ทำไมจึงไม่ให้เป้าในช่วงนั้นรู้ไหมท้าพระพุทธเจ้าเห็นเห็นอะไรเห็นว่าอัาิยะใสที่จะบรรลุยังไม่มีไม่มีต่อมาพระบรมเท้าส ก, กาก็ เ, าเลยถามปัญหาสิบสี่ข้อเรียกสักกะปัญหาสูตรถามปัญหานะแต่อันนี้ไม่ไม่ได้มาสแสดงสูตรนี้นะ ในสูตรนี้ใครต้องการรายละเอียดไปดูเองในทีขั้นี่กายมหาวักถ้าฉบับมห า, ากรุฎก็เล่มที่สิบสี่ไปดูเองในรายละเอียดตรงนี้สรุปประเด็นก็คือพอพอถามข้อแรกที่เท้าสกาถามบอกว่ามนุษย์นาคคนทันรุดเทวดาพรมไป น, นั้นมาก ปรารถนาความสมัครสมานสปรารถนาไอ้ความสมัครสมานสามัาาคมม ค, มมคีกันนะอยากให้ทุกคนรักกันมีความปรารถนาดีเ อ, อื้ออาทรต่อกันแต่ทําไมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้มนุษย์เนี่ยมันแตกแยกกันอยู่เรื่อยเพราอเลยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กับมนุษย์เทวดาน้าครุฑคนทานทั้งหลายเนี่ยแตกแยกอะไรพระเจ้าก็ดูก่อนเท้าโกศีไอ้ความลิสยาและความตนเนี่ยเป็นเหตุหในการแตกแยก แต่แก้ไหมถามเรื่องนี้เป็นต้นแล้วก็ไปสรุปลงในข้อปฏิบัติว่าพอต่ตอบปัญหาสิบสี่ข้อนี้เนี่ยของเท้าสกัดเท้าสกัฟังทมไปไข้ควรไปพิจารณาไปครั้งนั้นแหละเท้าสกัได้บรรลุเป็นพระโสดาบันปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วก็หมดอายุไขว่ดีด้วยเครื่องเส้นยะเดนผ่าแพทใช่ไหมล่ะบรรลุ บรรลุปุ๊พอดีเลยแล้วต่อมาแป๊บเดียวเท้าสก่าก็ตายเลยตายแล้วก็เกิดใหม่เดี๋ยวนั้นด้วยเป็นเท้าสก่าเดี๋ยวนั้นอีกทีไม่มีใครทราบมีทราบอยู่สองท่านนะคือพระพุทธเจ้ากับเท้าสก่าบริวารเก่าๆก็ไม่รู้เรื่องว่าท้าโกศีตายแล้วแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ฉะนั้นเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าโอปปาติกะเห็นไหมเรามองอยู่อย่างเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าท่านเกิดท่านตาย ป, ปุ๊บเดียวนั้นเลยจุตติปุ๊บปฏิสนธิต่อรับอารมณ์ที่ดีเพราะใจท่านน้อมมาที่จ่าตมเออใจเดาดึงแต่มาแบบฐานะเป็นภ้าริยะหรือเป็นบุตรชนเป็นผ้าริยะเป็นภ้าริยะแปลว่าท่านไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่กลับไปเกิดเป็นเปนรตและสุรากาธมนุษย์ท่านก็ไม่มาแล้วเหตไม่มาเพราะว่าไม่มีเหตุผล ตอนนี้เท้าสะกะาเลยกลายเป็นผ้าริยาบุคคลรงปัจจุบันอยากไปเฝ้าไหยอยากไปเฝ้าก็ให้ทานแบบนี้ไงให้ทานแบบนี้รักษาศีลจะเดินให้ทานอย่างเดียวไปได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้แ ม, ม้ทานอย่างเดียวไปได้ยุง่งทานกุศลหให้ผลเป็นทรัพย์ต้องมีศีลกำกับพูดเรื่องทานต้องกระทบศีลในชัด ถามว่าเคยเห็นสัต์เดราชานรวยไห ม, ไมเคยเห็นไหมไมีแพนด้าไงเชียงใหม่รวยกว่าเราไห ม, ไมถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ราคาเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงจะได้รู้ชัดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเราเจริญทานศีลมนาไม่เป็นก็จบเลยงานะนี่จบดูกอสาสรีบุตรนะ